นี่มาถึงสมัยพระพุทธเจ้าโสพิตะบ้างในหน้า393สสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าเรวตัตคือในกลับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์องค์ที่หนึ่งมังคละองค์ที่สองสุมาณะองค์ที่สามเรวตตะองค์ที่สี่โสพิตะเนี่ยนะกลับนี้ชื่อว่ามีพุทธเจ้ามากนะตั้งสีองค์เยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรวตตะนั้นองค์สุดท้ายในกลับนั้น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 แล้วก็อนุโมทนาธรรมอนุโมทนากระถาที่ได้สร้างวัดสร้างนครสร้างวัดเนี่ยนะเป็นพุทธบูชานั้นก็มีผู้ตรัสรู้ผันโกดพระโสพิตะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชุมสาวกอรหันตะขีนาศผู้ไร้มนทินปราศจากความเศร้าหมองผู้มีจิตสงบคงที่นะสามครั้งนะสาวกสันนิบาต3ามครั้งนะ ของพระพุทธเจ้าของเรามีครั้งเดียวนะที่วันมาฆะปุรมีเนี่ยนะวันมาฆะบูชาครั้งเดียวพูดถึงพระพุทธเจ้าโสพิตะมีสามครั้งครั้งแรกบอกว่าพระราชาพระนามวา่าอุคตะพระองค์นั้นถวายทานแด่พระผู้เป็นยอดแห่งนรชนในทานนั้นพระอรหันต์ร้อยโกรธก็มาประชุมกันต่อมาอีกหมู่คณะธรรมคณะเนี่ยนะคณะนี้ถวายทานแด่พระผู้เป็นยอดแห่งนรชน การประชุมครั้งที่สองก็ได้มีแก่พระอาหารหันต์เกโกดเนี่ยนะรประชาชนอุ่นหนาฝาข้างมาร่วมกันทําบุญพระองค์ก็แสดงธรรมบรรลุเป็นพระอาหารหนะันต์แล้วก็โอวาทปาติโมกเลยครั้งนั้นพระชินะพุทธเจ้าจําปัรสารนเะทวโลกเสด็จลงจากเทวโลกการประชุมครั้งที่สก็ได้มีแก่พระอาหารหันต์ประมาณแปดสิบโกดอย่างสมัยที่พระองค์ลงจากสวรรค์ชันดาวดึงเนี่ยคนมาเยอะนะแม้กระทั่งที่เมืองสังกัสร์เนี่ยประชาชนมาม า, มาก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 นะก็ยกเป็นประธานนะข้าวน้ําผ้าดอกไม้ของหอมประทีบโคมไฟมาลาเป็นต้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งถวายจีวรอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็เพศสัตว์ทั้งหลายนะบูชาสแสวงหารูปที่สวยเสียงที่เพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ดีตลอดจนถึงธรรมรมโอชาอะไรที่มันมีประโยชน์นี้เป็นเครื่องบูชาพระโสดพิตะพุทธเจ้าผู้นําโลกพระองค์นั้นทรงพยากรณ์เราว่า ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในกับที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กลับนี้ไปก็คืออีกสองอสงไขยแสนกับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตคือพ ร, พ, พ, ร พ, พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะออกพิเนศกรมจากกรุงกบิลพั์ที่น่ารื่นรมทรงตั้งความเพียรรมทุกขกิริยาพระตถาคตประทับนั่งนโคนต้นอชปาลนิโครธทรงรับข้าวมาทุกปลายาธ ในที่นั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุ ป, ปายญาตน้าริมฝัง่งแม่น้ำเนรัญชาเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้แล้วเข้าไปที่โคนโพรพฤกต่อจากนั้นพระผู้มียศใหญ่ทรงกระทาประทักศิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรูณนโะคนโพรพฤกชวาอสัตถะ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 พระพุทธอุปถาชื่อว่าอานันทะจากบำรงพระชินพะพุทธเจ้าผู้นี้จริงๆแล้วพูดถึงอัครส า, าวกมหาสาวกพูดตัออุปถาเนี่ยนะเมื่อสองอสงไข่กว่าๆที่แล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นไม่มีอะไรเลยว่างั้นเถอะไม่ไม่อยู่ในข่ายพยานเลยเนี่ยนะมันไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าในที่สุดก็ใครจะรู้เนะว่าอนาคตผู้ใดจะเป็นเช่นใดเนี่ยนะใครจะรู้ว่า อ้าอีกพัคหนึ่งอ้าวปรากฏตัวอยู่ที่อเวจีเรียบร้อยแล้วอีกพัคหนึ่งอ้าวอยู่พรหมโลกเป็นมหาพรหมอีกพักหนึ่งเป็นโสดาสกทาภาพนนะถ้าพระพุทธเจ้าจะรู้อุปริสัยเลย ว, ว่าผู้นี้ปฏิบัติอยู่ในปฏิปทาเช่นนี้ที่ไปข้างหน้าของเขาคืออะไรเพราะเขาดําเนินอยู่ในทางแห่งคติห้าหรือทางเพื่อความพ้นจากคติพระองค์ให้รอบรู้เขาเหล่านั้นจริงๆว่าเขาปฏิบัติอยู่ในทางเพื่อให้ถึงคติหหรือพ้นจากคติทั้งห้านั่นเอง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 หมื่นโลกกระทาทั้งเทวโลกก็พากันส่งเสียงโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงบันเทิงประคองอัญชลีน้ำมัสมั่ก็เรียกว่ายกมือคือเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์เนี่ยนะโอ้ดีใจกันมากทำการนบยกมือนอบน้อมกล่าวกับพระโพ ธ, ธิสัตว์ว่าวนะเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกทากทามเอาไว้ก่อนว่า ถ้าว่าพวกเรานะพลาดจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระนามวโสพิตะพระองค์นี้ในอนาคตการพวกเราก็จะขออยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้แหละมนุษย์ทั้งหลายเมือ่อะนะเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท้าน้าข้างหน้าถือเอาท่าน้าข้างหลังพากันข้ามแม่น้าใหญ่ฉันใด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 พระพุทธมารดาพระนามว่าพระนางสุธรมมาพระองค์ครองคารวาตวิสัยอยู่เก้าพันปีทรงมีปราศาสเรือนยอดเนี่ยนะครับปราศาสที่พระองค์ประทับอาศัยสามหลังชื่อวา่ากุมุทะนรินีปฐุมะพระสนมนาตะนารีนั่นแหละญิงฟ้อนรำเป็นต้นเนี่ยแต่งกายงามสี่0มื่นสามพันนางพระมเหสีชื่อวา่าพระมักกีลาพระโอรสนามว่าีหะเนี่ยนะ ชื่อเสือเนี่ยนะลูกชายชื่อเสือชื่อราชาสีวนนพระองค์ผู้เป็นยอดบุรุษทรงเห็นนิมิตสีก็อภินศสกรมออกบวชโดยปร า, าสาทเรียกว่าปร า, าสาทลอยไปโพ ท, ที่มันทสศฐานเลยบำเพ็ญเพียรเจ็ดวันก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้น้อยที่สุดเนี่ยนะใช้เวลาเจ็วันเป็นพระพุทธเจ้าเลยแสดงว่าอินทรียีบารมีแก่กลางมาก พระโสพิตะมหาวีระผู้กล้าพระองค์นั้นผู้นำโลกผู้สงบอันเท้ามหาพรมอาราธนาแล้วก็ประกาศพระธรรมจักณสุธรรมราชอุทยานอันยอดเยี่ยมพระอัครสาวกของพระองค์ชื่อว่าอาสมะไม่มีผู้ใดเสมอและพระสุเนตตะเรียกว่าตาสวยพระองค์หนึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนกับพระตาสวยเหมนนั้นพระสุเนตเนี่ยนะสุเนตะพระพุทธอุปถาของพระองค์ชื่อว่า นักุลาและพระสุชาดาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้นครโพพิกชื่อวต้นนาคะกากะทิงเนี่ยนะต้นกากะทิงพระอัครอุปถากชวะรัมมะและสุเนตะอัครอุปถายิกาชื่อวะนัะนกุลาและจิตตาพระมหามุนีมีพระสรีระสูงห้าสิบแปดศอกทรงส่ ง, รงพระศมีสว่างสวัยไป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 ของเราเนี่ยลดมาเค่าไ ห, หรเหลือตัวเดียว <c oughs> ดีไม่ดีมันจะแหมตัวเดียวมันต้องหารครึ่งอีกทีหนึ่งนี่เจนะต้องผ่าครึ่งอะนะเหมือนกขาบอกโอ๊ยจนจนเขอกว่าถึงขนานไหนบอกกินไขฟ่ฟองเดียวบอกฟองเดียวก็ยังดีนี่มันต้องครึ่งฟองอนะนีอย่างเง้ย น, นะะดีมันอะไรนะหารสามหารสี่กันนะเอาไข่มาผ่าเนี่ยนะบุญน้อยมันก็อย่างนี้แหละวย่างเงี้นนี่ก็เหมือนกันอายุของพวกเราในใครที่จะเ ก, ก้าสิบประมุษติตานุโมทนาด้วยนะทําบุญมาดีมากสืบอ ด, ดีไม่เคยเบียดเบียนสัตว์มา แต่ว่าผู้ที่เบียดเบียนสัตว์มานี่แหมจะอยู่จะอยู่ในสภาพไหนอาจจะยืนแต่แหม่ยืนประเภทไหนก็ไม่รู้นะต้องเข็นล้อดเดินเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ต้องหรือว่าอาจจะไปสามขาสีขาก็ได้นก็ดึบ๊บก๊บทีละหน่อยทีละหน่อยเนี่ยนะทั้งพระสาวกประธานโอวาทานุศาสนีแก่ชนที่เหลือคือพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าด้วยพระสาวกทั้งหลายด้วย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 เหล่าพระสาวกพูดถึงกําลังคือคือกําลังคือศีลเป็นต้นเหล่านั้นด้วยคือทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งนั้นก็อันตรธานสิ้นไปสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้มั้นตอนท้ายประกาศอริยศาสตร์อีกตามเดิมเลยนะที่จริงน่าจะดีใจโอ้ยสังขารเอ้ยเพิ่งรู้จักนะเจ้านี่ก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดก็มีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความไม่จีรังยั่งยืนหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เลย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 ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธว่าไม่เบื่อเบื่อแต่ว่ายี่สี่ชั่วโมงเบื่อสักสองนาทีอย่างง้นะที่เหลือเพลินหมดเลยอย่างง้นะกน็บ่มเอากันแล้วกันให้มันได้เจ็ดวัน่ะนะก็ก็ถ้าเบื่อจริงเนี่ยนะไม่ใช่โทสะแต่ว่าเบื่อด้วยนิพพานุปัสนาญาณเน่นะเบื่อในขันห้าเหมือนกับคนที่มีซากสุนัขหรือว่าซากงูที่แขวนคออึดอัดชิงชังเอือมระอาเชนั้นก็เหมือนกับบอกว่า ใจของข้าพเจ้ากายถึงจะอยู่ในบ้านก็จริงแต่ใจนี้คิดถึงแต่ป่ า, านะก็มีสัมเนตรรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลบอกว่าถึงจะป่วยคืนนี้ก็จะขอคลานกลับป่าแล้วแล้วกันอยู่ไม่ได้แล้วนะบางองค์นี้ท่านเป็นอย่างนั้นบอกว่าถึงกายจะอยู่นะในนั้นก็จริงแต่ว่าใจก็ไม่ได้อยู่แล้วฉันใดพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีอุปนิสัยจะตรัสรู้ถึงจะอยู่กับสังขารแต่ใจเนี่ยพร้อมที่จะหลีกจาก สังขารถึงจะอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็พร้อมที่จะหลีกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะมองเห็นขันห้าเหมือนซากศพที่แขวนคอฉะนั้นเนี่ยนะทั้งบริหารก็ยากเอาใจก็ยากไม่เชื่อเอาใจตัวเองดูนะวันนี้ทำสบายใจสักวันหนึ่งเถินะไม่ทำเครียดมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้ขอมีความสุขแท้ๆสักวันหนึ่งเถอ อย่าจะวิตกอย่ากังวลอย่าเดือดร้อนนะอย่าลําบากนะทําใจให้สบายสักวันหนึ่งมันสบายได้ไหมเนาะเนี่ยนะแต่สังขารมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะถ้าใครที่ไม่ได้อบรมอธิศีตอธิจิตอธิปัญญาไม่ได้เจริญนิยานิกรทธรรมธรรมที่นําออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ตกอยู่ภายใต้รูปนะตกอยู่ภายใต้อํานาจเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็แปลว่า อยู่ภายใต้อำนาจแห่งทุกข์แล้วแต่ทุกข์เนี่ยจะฉุดลากพาไปสำหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะพระองค์ผู้ประเสริฐนั้นเสด็จดับขันปรินิพานณ์พระวิหารสีหารามพระบรมธาตุแผ่กระจายเป็นส่วนส่วนไปในที่ น, นั้นนี้องค์ที่สองนะที่พระธาตุกระจายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นก็พระธาตุกระจายเนี่ยนะให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรับไปบูชา เช่นพระโลมาธาตุคนทั้งหลายก็ตามจักรเทวดาตามจักรวาลต่างๆก็นําไปบูชาพระเกสาธาตุตามจักรวะเทวดาตามจักรวาลต่างๆตา ม, ตามที่ต่างๆก็เอาไปบูชาส่วนพระธาตุเช่นอธิธาตุก็ตามสมควรว่าพระาธาตุประดิษฐานณที่ใดเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระธาตุทั้งหลายก็ประดิษฐานอยู่ณที่นั้นในอัตถกถา พุทธวงศ์เนี่ยนะมทรัฐวิลาสีกล่าวถึงวงของพระพุทธเจ้าโสพิตะโดยสังเขพว่าสมัยหลังเนี่ยนะคือภายหลังสมัยจากพระพุทธเจ้าเรวตะพระองค์นั้นผ่านไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระเรวตะนี้มีพระชนมายุเท่าไหร่หกหมื่นปีเนี่ยนะพระเรวตะพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนมายุประมาณห 0,000 ่นปีอายุกโลดลงเหลือสิปี แล้วค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงมนุษย์ษยุคสมัยอายุประมาณเท่าไหร่พระโสภิตาพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ90้า0มื่ปีเนี่ยนะเนี่ยนะก็คือจากอายุเนี่ยนะหก0 0 0่ 60, ปีแล้วลดลดลด ล, ด ล, ด ล, ด ล, ดลดจนเหลือ10ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นจนเป็นอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ 90,000 ปีเนี่ยนะ ตอนที่ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตณนะที่นั้นแล้วจนครบอายุในสวรรค์ชั้นดุสิตอันทวยเทพอ้อนวอนอราธนาเชื้อเชิญพระองค์ก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือปฏิสนธิในพระครขนของพระนางสุธรรมาเทวีในราชสกุลของพระเจ้าสุธรรมราชในสุธรร ม, มนครเพราเมืองนี้ธรรมะดีใครที่อยู่เมืองนี้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรม